ชั้นสองของธรรมยันตา์าเราจะเดินไปกว่าเมืวาสัหน่ยนะประมาณสักที่หกกนี้แต่แต่คราวนี้คือว่าไม่ต้องปีนขึ้นเขานะแต่บอชอบไปได้นะขึ้นเขามันรมอนยะู่พเดินันถนดนี่เ ร, นะรจะลําแดดได้เต็เลยนะามมาีร่มไม้หรือรมเี้ยเดินเยตานี่มันไม่ใช่ เป็นการเดินด้วยขาอย่างเดียวนั้นที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการเดินด้วยใจร่างกายมีแข็งแรงมีกรรองรังชาอย่าเป็นหนุ่เป็นสาวอยแต่ว่าถ้าใจก่อนแอใ จ, จไม่สู้หรือวางใจผิดหนึ่งก็จะเดินไม่ถึงหรือว่าเดินด้วยความฟุ้งไม่ใ่แค่ทุกกายเดินทุกใจเท่า แต่ถ้าวางใจเป็นหรือว่าใจสู้นะใจใหญ่แปล ว, ว่าร่างกายจะอ่อนแออายุมากหรือว่าปวดเมื่อยก็สามารถจะไปถึงได้แล้วก็จะมีรอยยิ้มตลอดทางถ้าไม่ยิ้มหมดไปก็จะดิ้นในใจ ไม่ใช่แค่ยินเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะดีใจมีความสุขก็ต่อเมื่อถึงจุดหมายปลายทางหรือทํางนานเสร็จแต่ที่จริงเนี่ยบนเส้นทางหรือระหว่างเดินระหว่างทำงนานเนี่ยมันก็มีความสุขให้เราเก็บเกี่ยวหรือว่าความสุข ที่เราส า, สามารถควบคุมได้ในใจของเรา mm. การเดินแต่แก็เดินไดน้แต่ว่าเดินเป็นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเดินได้คือว่าใช้ขาสองข้างไปอยู่ส่งตัวให้เคลื่อนไปข้างหน้าแต่เดินเป็นนม่อีกอยางนึงนะเดินเป็นนี่ก็ออย่างก็ถือว่าเดินด้วยกายและเดินด้วยใจ เมื่เราเดินไปนี้ระยะทางมันจะเป็นประสานน้อยจะไม่ทำให้เราไม่สามารถเดินประสาที่จะพาเราที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้าการเดินริยธามโดยการแบบนี้นักสื่อสายคนไม่เคยเดินมาก่อ น, นีมันไม่ใช่อาศัยแต่พพความอดทน หรือ ว, ว่าขันติกระนั้นนะขันติก็สำคัญเป็นกรณีที่สำคัญอย่างที่ทำให้คนเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ทั้งในทางโลกและทางธรรมแต่ว่าการเรื่องขันติประมทนเนี่ยเยึดอยู่ในความทุกมอยู่ตัดฟันเดินตัดการสู้ถึงด้ ว, ว่า แม้จะทุกยังไงใจก็ไม่ยอมแพ้แต่ถ้าเรามีอะไรที่มากไปกว่ น, นั้นมันจะช่วยได้นั่นคือการที่จับวางใจให้เป็นวางใจให้อยู่กับปัจจุบันซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เราทำอย่างนั้นได้คือสติ สติมีดีแล้วต้องมีสติด้วยหลายคนเนี่ยทุกข์ก็เพราะว่าใจมันเอาแต่บนอยู่ข้างในว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงเป็นเพราะจิตเนี่ยไปอยู่ที่โ น, โน่นแล้วสุดหมายปลายทางแล้วแต่ว่าตัวเนี่อยู่มบนเส้นสทางอยู่เลยใจที่บนครับนคะือตีคอยตีคอยว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึงเนี่ยนะ มันจะไม่การเดินเนี่ยแต่ก็เป็เปความทุกข์บางทีกายไม่เหนื่อยนะแต่ว่าใจเหนื่อยนะเพราะใจบนแต่ที่ใจบนดก็เพราะว่าใจไปอยู่ข้างหน้าอันนี้เราไปอยู่กับภาระคนนะที่หลายคนเนี่ยรู้สึกมุญญ่งมิต <c oughs> เวลารถติดเนี่ยพเพราะอย่างนี้แหละที่เรามุญญ่งิตเนี่ย มันไม่ใช่เพราะรถติดนนะพูดไปจริงๆแล้วเนี่ยรถติดก็ไม่ได้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ลรามบหงินหรือคุณเคือหรือกโกรธหรือเป็นภูมแต่พรใจเนี่ยมันไปคิดถึงตุดหมายไปลายทางข้างหน้าหรือว่าชั่นโอภูแสงไปแล้วว่าถ้าติดแบบนี้อาจจะไปถึงที่หมายช้าอาจจะ ไปประชุมไม่ทันส่งลูกสายหรือตกเครื่องบินหรือไม่ชนั้นก็คิดต่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อถึงสักที่ตรงนี้ต่างๆ ท, ที่ทาให้ใจเต็นทุกข์รู้สมมึกหมดมีขึ้นมารถเตินะตจิตไม่ตกเนี่ยทำได้นะหากว่าใจเราเนี่ยกลับไปกับปัจจุบัน การเดินก็เหมือนกันนะท้าเดินไปแต่ใจก็ไม่ได้ทิ้งตัวไม่ได้ถลายถลายไปข้างหน้าแต่อยู่กับปัจจุบันมีนักปีนเขาคนึงึ่งนะแจเรียก ว, ว่าเป็นนักปีนเขาที่ช่างชอ ม, มากสามารถได้พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในทุกวีบาแลงรดมทั้ง เอเวเรสตึนสูงที่สุดในโลกประสบการณ์การปีนเขาของเขาเนี่ยที่นานนับสิบสิบปีเนี่ยมันบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยดูยน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลเวลาเขา อ, อยู่เชิงเขาปีนเขาเนี่ยนะหรืออยู่เบแคมเขามองที่ยอดเขาเช่นยอดเอเเรสเนี่ย ก็จะร้สึกชอกมากเพราะมันสูงมันชันแล้วก็ถึงเดื่องอันตรายมันมีความที่ตุ้งแต่งมากมายแต่ก็เพราะว่าวิธีการปีนภารีสูงคือว่าสนใจพื้ในใต้ฝ่าเท้าแล้วก็ก้าวไปทีละก้าวทีละก้าว แ, แค่นั้นแหละเทคนิคหรือเคล็ดลับการปีนเขาของเขาเี่ยมีแค่นั้นะ ถ้าว่าสนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็กล้าไปแ ต, าแต่ละก้าแต่ละก้าและก้าไม่หยู่แล้วก็ถูกเส้นทางเนี่ยถึงได้ก่อนไปเนี่ยนะก่อนเดินก่อนปีเขาก็กําหนดเส้นทางใช้เวลาในการเตรียมการกําหนดเส้นทางที่ทาให้พาไปถึงยอดเขาได้แต่ตอนนี้เวลาเดิ น, นจริงจิงเนี่ยเขาก็ทําแท่นี่แหละคือสนใจพื้นดินใต้ใตฝ่าเท้า แล้วเดินไปทีละก้าวทีละก้าวง่ายไม้มง่ายมากบอกว่าเวลาใจเนี่ยมันไปอยู่ที่จุดหมายไปตามเช่นย้อนขาเนี่ยมันจะมีความทุกข์มีความกังวล ม, มีความลตกหลายอย่างซึ่งเป็นความทุกข์ที่ไม่จําเป็นเลยเพราะมันยังไม่ถึงไงยังไม่ถึงบางทีไม่ยังไม่อาจจะก้าวเดินได้ซ้ําพอแล้วทุกซะแล้วพราะเห็น อุปรสรรคมากมายลอยอยู่ใจจริงถ้าสนใจก็้ะใด้ฝ่าทาแล้วก้าไปทีละก้าวทีละก้าวนะมันจะสบายขอให้ก้าว ไ, ไปดกก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะหรือว่าศิละปะ ก, การเดินธรงมยานตราหรือการเดิ น, นทางแกลกันนะมันจะไกลกี่กิโลสิบกกิโลยี่สิบสามกิโลหรือว่าสามสิบกิโลก็แล้วแต่ ใจเราก็อยู่กับปัจจุบันบอกประตูก็ได้ว่าถึงเมื่อต่อเมื่อมันถึงอันนี้นเรียกว่าความเงียแล้วก็ได้อยู่เสมอว่าถึงต่อเมื่อมันถึงหรือถ้ามองใหดีๆเนี่ยเราจะพบว่าจุดหมายที่ปลายเทา้าจุดหมายไม่อยู่ข้างหน้าจุดหมายที่ปลายเทา้า ถ้าปลายเท้าเราไม่ขยับนะจุดหมายก็ยังห่างไกลแต่ถ้าจุดหมายแล้วแต่ถ้าปลายท้าเราขยับนะจุดหมายเขาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่ที่จริงจุดหมายที่ปลายท้ายังมีความหมายว่าให้เราใส่ใจอยู่กับที่เท้าของเราไม่ใช่ตรงหน้าลลองทำดูนะจบพบว่าการเดินเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ ทุกน้อยลงแล้วก็เบาสบายมากขึก้นางทุกคนเดินธรรมญาตราเนี่ยหลายคนเชื่อเป็นความทุกข์ที่กายนะแต่ที่จริงเนี่ยทุกใจเนี่ยมันมากกว่าทุกกายเพราะส่วนตัวเปิดใจที่มันบนวยาวัทีโคทีา ย, ม ย, ายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วะที่ เป็นอย่างนั้นเพราะวาใจมันไปอยู่ของข้างหน้าแล้วก็คิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงทม่อทีดึงใจทำไมที่ปัจจุบันจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ช่วยทา น, นั้นได้คือสติเพราะเวลาใจเราเผลอไปไม่ถึงข้างหน้านั่นคือจุดหมายมสติช่วยเราเรารู้ทันว่านี่ไปไกลแล้ว กลับมาอยู่กับเน้อกับตัวหรือบางทีใจมับนบ่นโวยวายดีมัิฟายส่วนใหญมองไม่เห็นไม่ได้เห็นในตาตี่ว่ามอแม่เห็นคือใจนี้ไม่มีสติรับรู้พอเรามีสติรู้ว่าใจกำลังบ่นโวยวายกำลังซ้ำเติมตัวเองสติจะพาใจกับติดกันมาอยู่กับความปกติ อยาซ้เติมตัวเองนะดับเบิธรรมญาใจชอบซ้เติมตัวเองกายเหนื่อยแล้วยังไม่พอยังปล่อยให้ใจเหนื่อยด้วยกายทุกข์ยางไม่พอจะปล่อยให้ใจทุกข์หรือว่าซ้าเติมปิใจให้ใจมันทุกข์ด้วยนี่ว่าซ้เติมตัวเองแต่สติมันช่วยแล้วทาให้เราไม่ตืซ้าเติมตัวเอง พอใจมนันโ น, น่คิดถึงอ น, นาคตก็รู้ทันพอใจมนันววายก็รู้ทันตรงนี้แหละที่ทําให้ใจทุกน้อยลงสติช่วยทําให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะเวลาเดินเนี่ยนะลองกลับมาทำความรู้สึกตัวดูอย่างที่เราสอนมาสักพูดเนี่ยสติปัญญาเนี่ยนะเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินนะ เมื่ อ, อยืนก็รู้ว่าอยู่เมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งรวมทั้งอิริยาบถเล็กน้อยนะไม่ว่าจะเดินไปก็ไม่ว่าจะมองไปข้างหน้าหรือว่าเลี้ยวซ้ายแลขวาไม่ว่าจะคู่ขาเหยียดขาให้ทำความรู้สึกตัวไว้าการทำควารู้สึกตัวเนี่ยนะมันจะช่วยทําให้จิตใจโปร่งเบา ความพ้ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันเพราะว่ามีอกุศลจิตเกิดขึ้นโทสะความท้อแท้หว่นถึงความเศร้าความรูษษ้สึกผิดต่างๆความรู้สึกบังอย่จะไม่ได้เกิดขึ้นกับระหว่างการเดินธรมยาตราแต่ว่าไอ้ตัวที่เด่นๆเนี่ยคือตัวโทสะตัวควรมตัวความหุดหุินเนี่ย มันจะคอยรลงบวชติตใจแต่ความสึกตัวเนี่ยพอเราสร้างขึ้นมาให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะปัดเป่าไอ้ความทุเลาคุโสลธรรมนั่งไปยังใจได้ดเจะารัสว่าบุคคลมื่อมัมอ่นความสึกตัวความสึกตัวนั้นย่อมเอาบุคคลไม่ม่มงมั่นความสึกตัวคุโสลธรรมเที่ยงไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น อภูริสารธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อมีความสึกตัวความสึกตัวนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่นแม่เสริมชวนแม่อันตรธ า, านาห่พพางพระสัตย์ธรรมพระสัตยธรรมในที่นี้หมายถึงว่าความปกติสุขในจิตใจของเราตอนทำความสึกตัวดูขณะที่เดิ ม, มก็ไม่ใช่ง่ายเพราใจเราเนี่ยมันชอบ ส่งออกไปนอกๆอกางทีก็ไปจุดหมายไปทางข้างหน้าบอทีก็ย้อนจับจิตทัทีบางทีก็ไปเพ่งอยู่ที่คนข้างหน้าเสร็จแล้วก็เลยจ้องจับผิดหรือว่าเกิดคามุึงิจ็กับพฤติกรรมของเขาเ <c oughs> วื่อเราพาจิตกรรมนิยูกับตัวเนี่ยไอ้ความความสึก ข, ขุดข้องมองใจมันก็จะเลือนหายไป แต่ตัวการนี่นะที่ทําให้เราเป็นทุกข์ระหว่างการเจินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางแปลงเดียวนะมันคือความเจ็บความปวดความเมื่อถ้าเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่นะจิตมันจะจงเข้าไปก็ไปในความเจ็บ ค, ความปวดหรือผู้อยานตัวจิตมันจะเป็นยึดเอาความเจ็บความปวดว่าเป็นตัวกูของกูแทนที่กายจะปวดนะก็กลายเป็นปว่ากูปวดกูปวด แต่ที่กายจะเมื่อยก็เป็นกายพอคลู่เมื่อยอันนี้คือการสร้างเติมตัวเองเหมือนกันกายปวดเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่พอคลูป่ปวดนี่นะโอ้เป็นกระสับกระส่ายแนละ้จิตมันจะดิ่งจะทุรนทุ ร, รายจะเมือยหงุดหินแต่ถ้าเรามีสตินะมีความสุขตัวนจิตมันจะทอนลงมา จิตมันจะวางความจ็บความปวนความเมื่อยของกายมันก็แล้วมันก็จะส่งตัวอยู่เป็นปกติผมกอเอาใจท่านสอนว่าให้เห็นอย่างเขาปเป็นเห็นอะไรเห็นเมตนาเห็นความปวดความเมื่อยความเจ็บส่วนใหญ่นี่ไม่เห็นแล้วกเขาปเป็นเลยปเป็นๆพูดเจ็บผู้ปวดผู้เมื่อยหรือว่าจิตมันเป็นยึด เอาเวทนานั้นเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นกู่เป็นของปู่ความหมายเดียวกัน เ, นเป็นผู้ปวดเป็นผู้เมื่อยและเนี่ยคือการซ้ําเติมตัวเองทําให้กายปวดด้วยใจก็ปว ด, ดว้างแก้คือว่ากลับมารู้สึกตัวเพราะเมื่อจิตมันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ย มันจะไม่ถล่มเข้าไปนะในทุกเวทนาหรือไม่ปรุงแต่งนะในสิ่งที่ออกมาไม่ถีนะ่อันนี้เป็นวิธีบรรเทาความทุกจากการเดินกายทุกกระทุกไปนี่ยแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยนะใจก็ยังสบายควาความไม่ยั้งตาหรือว่าความเตือนใจธรม ย, ยัติตาทุกปีทุกปีเนี่ย่ล้วก็กาย ร้อนแต่ใจไม่ร้อนนะกายปวดแต่ใจไม่ปวยก็เพราะรู้จับใช้สติหรือใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยอารักขาใจเอาไว้ธรรมยาตราความหมายคือว่าเดินในธรรมหรือว่าอยู่ในอารักขาของธรรมและธรรมนที่จะอ า, อารักขาเราได้เนี่ยนอกจากเมต่ตาครูนางชาวบ้านที่เอานา้ำเอาอาหารให้เราแล้ว ก็ยังหมายถึงสติสัมปชัญญะที่จะช่วยปกป้องความทุกข์กายไม่ให้เข้ามาเบียดเบียนหรือว่าบีบคั้นจิตใจกายทุก์ใจไม่ทุกเนี่ยจึงทำได้หรือไม่ใชนั้นเนี่ยเราก็ใช้สมาธิสมาธิก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะที่จะ ทำให้ใจไม่ทุกข์ได้เวลาเดินเนี่ยบางผลก็ใช้วิธีนับก้าวให้การนับเนี่ยทำให้จิตติดจอ่ออยู่กับตัวเลขทำให้ไม่ถล่ไม่ไปเพ่งอยู่ที่ตัวเวทนาตัวพาดป่วยคือจิตถ้าปล่อยไว้ลอยๆเนี่ยมันจะไปจมอยู่กับความเจ็บความปวดได้ง่าย ทุกเวทนามันมีแรงดึงดูดนะมันจะดูดจิตให้เข้าไปจดจอ่อพอจิตไปจดจ่ออยู่กับความเก็บความปวดนะจิตมันก็จะทุกแต่เราก็ต้องเราก็เลยต้องพยายามเนาาี่ยดึงจิตให้ออกมาจากเวทนานะถ้าไม่ได้ไม่ได้ศัยสติหรือว่าความสุขตัวสมาธิก็เป็นตัวที่ช่วยได้สมาธิก็คือการที่จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันทำงานคนละอย่าง ก, กับสตินะสตินี่คือการเห็นเห็นแล้วก็วางหรือรู้ทันพอรู้ทันก็จะลัรู้ทันเวทนารู้ว่าจิตมันไปจมอยู่กับเวทนาจิตมันก็จะดึงจิตออกมาจากเวทนาส่วนสตินี่คือการที่จิตันไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้ไม่ไปเพล่นพลาดไม่ไปไปจดจ่อยอยู่กับความเป็นความปวด หลายคนใช้วิธีนับก้าวบ้างหรือว่าบริกรรมบ้างนะซ้าย ย, าาย่างหนอฝ้ายย่างหนอหรือว่าคำบริกรรมของธรรมยาตาที่ใช้กั น, นบ่อยคือนะซ้ายทนได้ขวาสบายมากลองใช้ดูนะซ้ายทนได้ขวาสบายมากหรือใครที่เดินขวาก่อนนะก็ขวาทนได้ซ้ายสบายมาก อันนี้มันช่วยทั้งการทําให้จิตเนี่ยมีสมาธิอยู่กับการเตือนแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วก็ยังเป็นการเตือนใจด้วยว่าจะทุกข์ไปทําไมนะมันสบายนะมันไปรู้ทนได้อยู่แล้ว ใ, ใจที่บอกว่าไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยนะพอเราบอกทนได้ทนได้ไหวไหวมันเปลี่ยนไปเลยนะทําแล้วก็ตามท่านบอกไม่ไหวไม่ไหวมันไม่ไหวจริงจริงเลยนะ แต่พอเราบอกว่าไหวสิทนได้มันก็ไหวขึ้นมามันก็สามารถจะทำต่อไปได้อันนี้ก็เป็นคาถาที่ชาวธรรมยานตาไปใช้บ่อยมันเป็นทั้งการช่วยทำให้จิตมีสมาธินกับการเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วก็เป็นการเตือนใจไม่ให้ไม่ให้บนไวไว่นโวยวายตีโพติภายบางคนก็ ไม่นด้นับก้าวตัวเองนะแต่ไปดูก้าวไปดูทางของผูกอื่นคนที่อยู่ข้างหน้าเคยมีเด็กผู้ชายอายุเก้าขวสิบโวบมาเดินทำย่าตากับแม่ก็ เ, เนยมีความทุกข์มากเลยเดินไปก็หมนไปแต่หลังจากาที่เดินได้สักสองสวันเนี่ยพอมีคนไปถามว่า่เหนื่อยไหมให้บอกไม่ไม่ค่อยเหนื่อยแนละ้ว ทำไมถึงไม่เหนื่อยเขาก็ดูก้าวแล้วดูเท้าของคนที่ทิ่วขึ้นได้ใจที่เปิดเพลงเท้าเนี้ขึ้งได้เขาทาไม่มีสมาธิได้อันนี้เด็กเขาเคยเร่ยงรู้เขาเองที่เขาเรียนรู้ได้เพราอะไรพราความปวดความเมื่อยนี่มันบังคับความปวดความเมื่อยมันบังคับให้ต้องที่หลนหาผลทาง ถ้ามันหนีออกจากความปวดความเมื่อยไม่ได้มันก็ต้องหาทางทําให้ใจเนี่ยสามารถจะอยู่กับความปวดความเมื่อยได้แล้วเด็กเขก็พบว่าเออถ้าไปจดจออยู่กับเท้าคนที่เดินข้างหน้าเนี่ยมันก็ช่วยได้การนับก้าวก็ช่วยได้เหมือนกันนะเคยมีวัยรุ่นนักเรียนที่ศึกษาชิบสีมาเดินกับแม่ก็เหมือนกันวุ่นมากแต่พอเดือนสุดท้ายเนี่ยเขาสบายแล้วะเขาคนนับก้าว นักได้หกพันกว่าเก้าก็หลายกิโลนะมารู้วิธีก็เอาวันสุดท้ายคือเขามาเดินสามวันนะแต่ก็คิดว่าคงจะเป็นง่ายที่ได้ทจะติดตัวเข้าไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกข์หรือไม่มีที่ใจด้วยนอกจากสติและสมาธิแล้วเนี่ยนะปัญญาก็ช่วยได้นะปัญญาปัญญาอาจจะหมายถึงการรู้จักคิด ตลาดคิดเวลาเดินไปไกลเนี่ยเออสิบกกิโลเนี่ยดูมันดูดูมันเหมือนไกลนแต่เราก็คิดว่ามันแค่สิบกกิโลเนี่ยความสุขมันเปลี่ยนไปเลยคนเราเวลาเจออะไรเนี่ยที่มันเป็นความทุกข์ หรือเป็นอุนทิศฐานรงทางไกลหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าสูญเสียของรับเช่นเงินนะลองเติมคําว่าแค่ลงไปมันแค่สิบกกิโลเท่านั้นเลยโอ้นะของหายแค่สองร้อยเท่านั้นเลยหรือหายแค่โทรศัพท์เท่านั้นเลยมันเปลี่ยนไปเลยนะเคยมีหมอที่เรว่าเจอ ลุงคหนึ่งแกตัวซีด น, นะของหมอเห็นก็จับตัวเลือดเลยตัวเลือดเสร็จ ก, ก็พอคนไคข้ก็มารับทราบผลหมอก็บอกว่าลุงเนี่ยลุงมเป็นเบาหวานใะจยิ้มเลยนะหมอนี่โงงลุงไ ม, ม่รู้ว่าเบาหวานะต้องพิจยาตลอดชีวิตนะ รู้ลุงบอกแล้วทำไมลงุงถึงยิยม้มดีใจดีใจที่ที่แรกผมดูผมเองตอนรวกเป็นแค่เบาหวานะผมลง อ, อกเลยแนะกรู้สึกนะพอแก้ซ่เป็นแค่เบาหวานนะผมยิ้มได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องขอ ง, ของมุมบอกนะ เรียกว่าฉลาดในการมองฉลาดในการคิดนะเด็กคนนึงเป็นเป็นมะเร็งจิตอาสาไปเยี่ยมเธออายุสิบสี่ผมร่วงทั้งหัวเลยเพราะว่าผ่านการฉายสาคีคมีจิตอาสาก็รู้นะว่าเธอเป็นมะเร็งที่สมองก็เลยแปลกใจทําไมเธอยิ้มได้ แถมยังมีอารมณ์มาชวนเธอวาดรูปแถนแถมีอารมณ์มาชวนจิตอาสาจิตอาสาผู้หญิงนะชวนจิตอาสาวาดรูปก็เลยคุยกันเธอก็โอ้พราปาสัยดีคุยไปคุยมาตรอบอกว่าเนะี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมียากิมงเป็นมะเร็งมดลกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองคนระับเป็นมะเร็งสมองนี่ใหญ่นะเรื่องใหญ่แต่พอเติก็แค่ลงไปนี่มัน มันกลายเป็นเรื่องที่เล็กลงไปเลยลองเติมเข้แค่ลงไปดูบ้างในลองที่เราเจอแค่16กิโลเท่านั้นเองหรือแค่ปวดแค่เมือ่อยเท่านั้นเองคนอื่นเจอหนักกว่าเราเยอะกางคนที่กาให้เรานี่แค่ปวดแค่เมือ่อเออเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาทําให้ปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กลงแต่ใครที่อต้องการ ต้องการที่จะได้อะไรมากกว่า น, นั้นเนี่ยนะก็ถือโอกาสเนี่ยพิจารณานะเวลามันปวดเรืเมื่อยนะเออความกำลังสอนทำไม้กับเรานะร่างกายเนี่ยบางทีใจเราสู้นะแต่ขานี่มันไม่ยอมขยับเลยเราก็เห็นแนละ้วขานี่ไม่ใช่ของเราเลยขามันแข็งเลย เคเจอมันเดินเกินปลา่องขามันขยับไม่ออกเลยอาศัยใจที่สั่งให้ถามันเดินอ า, อาศัยใจงที่สั่งให้ขามันก้าวแต่มันก็ไม่เคยายอมอยากจะอยากจะร่วมมือด้ว ย, วยตรงที่ที่เราเห็นได้น่องขานี่ก็ไม่ใช่ของเราเลยนะั่นเองพวกนี้ได้ปัญญาแล้วลองเปิดใจดูนะมันจะมีอะไรที่จะมีธรรมะที่สอนเราหรือว่าแสดงให้กับเราหรเห็นโดยเฉพาะนิจกรรมตุ๊กตา ผู้ค้าเนี่ยผู้ค้าดาราโยก็ทํากล่องเทียนท่านเคยแนะพระที่แล้วก็โยมด้วยที่ป่วยผู้ค้าท่านก็เดินทุ่งตรงประจำในสมัยยังหนุ่นแล้วก็พระที่จวนเป็นบาเลียก็เยอะท่านก็แนะหรือท่านท่านก็สอนว่านี่เวลาป่วยเนี่ยนะอย่าอยากหายจากทุกประเวทนานะ พอจะอยากตายเนี่ยนะมันจะยิ่ทุกข์มากขึ้นเพราะว่าตัวความอยากตายเป็นสมุทยัยมันจะทําให้ทุกข์มากขึ้นท่านบอกว่าถ้าอยากนั้นให่อยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนาหรือเห็นอยากเห็นความจริงจากกายที่กลังป่วยกําลังเจ็บ น, นี่มันจะได้ได้ได้ได้ธรรมะได้กําไรได้ปัญญามากขึ้นเลรับ คามเจ็บความปวดจะไม่ใช่เป็นเคราะร้ายจะไม่เป็นสตางค์กรรมแต่การเป็นของดีที่เปิดโอกาสให้เราได้เก็บเกี่ยวเอา จ, ะจะัจธรรมซึ่งทําให้เกิดปัญญาเออเราจเจ็บปวดนี่นะเอออย่างแรกที่ธรรมาคิดว่าสาคัญมากคือหยาดยากขายจากความเจ็บเพราะถ้าหยาดหายแล้วมันอยาดหายจากความเจ็บนี่วแล้วความเจ็บมันยังมีอยู่แนละ้วมันจะทุกข์มากเลยนะจิตมันจะดิน้น จยากให้รถติดแล้วก็จากให้รถมันหายติดเนี่ยมันจะทุกข์มากเลยจะสับปะสายเลยความอยากให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหายไปเนี่ยมันจะเป็นตัวการทําให้ทุกข์มากขึ้นทุกข์ของเดิมไม่เท่าไหร่นะแต่ทุกข์ตัวมานี่หนับก็เดินเช่นรถติดเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็อยากให้รถมันหายติดสักทีเนี่ย มันจะทนไม่ได้กับสภาพที่เป็นอยู่มันจะเกิดความโหมดหินกระสับกระส่ายผู้ร้อนผู้ร้ายเข้ามาในทีมเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยนะมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ควาอยากให้มันเจ็บถ้ามันหายเจ็บหายปวดหายเมื่อยมันจะสุดทนไม่ได้มันจะบ่นโวยวายตีพอยตีไฟขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยนะเดีได้น้อยๆเนี่ยก็ให้รู้ทันความอยากหายอยากให้เวชรามันหายนะ แต่ถ้าอยากถ้าอยากกินก็เขียนเปนอยากเห็นอยากเห็นว่าเออความเกี่ยวกับความปวดความเมื่อยมันสอนอะไรเรา อ, อย่างนี้แหละที่หลวงพ่อเจ้าพุทธบอกว่าป่วยทุกทีก็ฉลาดทุกทีป่วยทุกทีก็ฉลาดทุกทีฉลาดในเรื่องของขันท่าอันนี้ก็ทําให้เราเกิดปัญญาทุกกายแต่ว่าใจได้ปัญญาอย่างนี้เรกได้กําไรนะ ไม่ใช่ซ้ําเติมตัวเองกายทุกข์ด้วยใจก็ทุกข์ใจก็พอใจปวดโวยวายตีโคลตีพายแล้วพอเราเห็นนะพอเราเห็นเห็นธรรมะที่ทําธรรมะที่ความเกิดความโผล่ในร่างการแสดงออกมานะใจมันติติเลยใจมันติดติเลยกายยังทุกข์อยู่กายยังปวดอยู่แต่ว่าจใจติดติดแล้วคนที่มาเรียนเนี่ยแต่พี่มีความสุขได้ชนเขาก็มีติติดอนเรียนเขาก็เห็นธรรมะจากจาก จากร่างกายที่กำลังเป็นมะเร็งแต่ของเราเนี่มันยังหาไกลจากมะเร็เงเยอะนะฟ้ปาปผยความเมือ่อยแต่ว่ามันก็มีทําให้เราเห็นได้พอปัญญาเกิดขึ้นใจเราก็สบายอันนี้กายป่วยใจไม่ป่วยกายพุ่งใจไม่ปวุวงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมวนะ่าเวลาเราทุ่งมากๆจากการเดินเนี่ยอย่าพุ่งไปโทษทางที่มันไกลอย่าพิ่งไปโทษแดดที่มันร้อนอย่าพุ่งไปโทษคนนำทางหรือคนจัดธรรมยถานะ กลับมาดูใจเราก็ใจระวังถูกหรือเปล่ามนะันทีใจระวังไม่ผิดนะแต่ถ้าระวังไม่ถูกนะหรือว่ารู้จักใช้ใจใปนประโยชน์นะโอ้มันทําในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนนะเมื่อหกสิบเจ็สิบปีก่อนเนี่ยมันมีฝรั่งทำเงชาวฝรั่งเศสแกเครื่องบินตกที่แถวเทือกเขาแอนดีสเทือกันดี้ซึ่งอยู่ในลาตินอเมริกา เขาแคลิฟบริเนียเนี่ยอันเดนีส่สูงมากนะหิมะเนี่ยขาโปรยเครื่องบินเนี่ยตกไปโชคดีที่มันไม่ระเบิดเพราะมันตกเครื่องบนตกไปในกองหิมะแต่ว่าก็หมายถึงว่าเจอความหนาวเขากลับไปคนเดียวนะแม้เขาไม่ตายเแต่ก็ไม่รู้จะรอดไปได้ยังไงเขาพยายามเดินดูหิมะ อาหารก็มีจํากัดเดินไปได้สามวันนะไม่รู้สามคืนเลยแล้ว ห, หมดแรงแต่เขาเรู้ว่าถ้าเขาเาหยุดเดินเมื่อไหร่เนี่ยเขาตายแน่นอนเขาก็พยายามที่จะเกลี้ยกายเดินไปให้ได้แต่มันก็เดินไม่ไหวจริงๆนะแล้วเขาคิดว่าเขาตายแน่แเขาก็เลยล่ําลาเนียและลูก แต่สักพักเขาก็ขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะ้าก็ตายตรงนั้นนะ่ะจะหาสพได้เจอหาสบได้ยากและาหาสพได้ยากเนี่ยรูปเนี้ยก็จะลาบากเพราะว่าเงินประกันภัยเนี่ยเงินประกันชีวิตเนี่ยมันจะออกมาได้ยากนะถ้าเกิดว่าไม่เจอศพก็ต้องรองให้ศาลสาัส่งว่าเป็นบุคคลผู้ผู้สูญหายใช้เวลาหลายปีก็เลย หวว่าพอคิดถึงปัญหาที่เกิดกับเมียและลูกเนี่ยก็เลยคิดเลยร่วงตายตรงนั้นไม่ได้ต้องตายไปนี่ ต, ต้องนอนตายในจุดที่คนอื่นจะพอจะมองเห็นหาศพเจอได้ง่ายแต่วเขาก็เหลือมองไปเห็นพวกเห็นก้อ น, เ ห, น, อนเห็นก้อนนึงนะมันโผล่มากลางที่มากดูหาไปประมาณ100ร้อยเมตรเขารวบรวมกําลังนะเพื่อที่จะเดินไปให้ได้ถึงก้อนเห็นก้อนนั้นเพื่อจะได้ไปนอนตายตรงนั้น เวลาเครื่องบินมาหาศพหรือมากู่ภัยก็ได้เห็นศพก็ได้ง่ายๆเพื่อทำให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินให้เมียเขาเร้ยรูปได้อย่างรวดเร็วเขาคิดได้แค่นี้แต่พอไปถึงหินกรันแล้วองคผมมันมีแรงเดินต่อนะแล้วรู้ไหม้ขาเดินไปอีกเท่าไหร่เนี่ยเดินไปเก้าสิบกิโลเดินไปเก้าสิบกิโลเตินทังจะหูบ้านแล้วเขาก็รอดตายแล้วก็ไม่รอดตายเราก็ไม่รู้หรอกว่า อะไรเกิดขึ้นขเข้าในระหว่างนั้นเห็นได้เลยนะว่าเนี่ยมันเป็นทุกที่ใจได้แท้เลยนะพอนิดถึงลูกขึ้นมานิดถึงเมียขึ้นมาโอ้มันมันเกิดกําลังใจมันเกิดความรูม้สึกดิ้นรนที่ต้องทําความเคียงจากเดินในที่แต่จะไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ยแค่ร้อนเนีตยก็จะไม่ไหวแล้วมันเดินได้เกือบร้อยกิโลเนี่ยใจสำคัญมาก แล้วก็อยากให้เราเนี่ยมาเห็นให้ความสําคัญแล้วก็พยายามทําทแจงเรานี่ให้มันเป็นตัวขับเคลื่อนกันขับเคลื่อนร่างกายของเราขับเคลื่อนขาขับเคลื่อนท้างเราเนี่ยเพื่อให้ไปให้ได้ที่จริงทางสิบกิโลนี่มันโดยร่างกายที่ปกติี่มันทิดจอยมากนะเมื่อเทียบกับผู้ชายคนนี้ที่ต้องเดิน100กร้อยกิโลฝ่าหินมากเข้าไปนอนก็ไม่ได้นอนเต็มที่อาหารก็ขาดแคลน คูจะตัดว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดนะสำเร็จได้ด้วยใจก็ออกให้เราลองมาใช้ใจเรานี้นะเพื่อที่จะพาเราให้เดินไปตลอดเส้นทางได้ด้วยใจที่ไม่เป็นทุกข์กายทุกข์ก็ทุกข์ไปนะแต่ใจไม่ทุกข์ไม่ว่าเราจะเดินกี่วันนะ ก็ให้สนับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความยากไม่อยู่ที่ริยะทางที่ไกลแต่มันอยู่ที่ว่าเราวางใจได้ถูกหรือเปล่าและถ้าเราวางใจถูกนะแม่จะเดินแค่วันเดียวนี่ก็ได้อ น, นิสัยแนบประโยชน์มากทีเดียวเอาละชานี้ก็ควรจะนี้